อนุโลมปุกคโลกาตเอกมูละกะนันในยี่อนุโลมปุจฉ้าการมาราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องปฏิการนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโรงปุจฉ้าปฏิการนุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่อง การมาราคาหนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาการมราคาหนุสัยของบุคคลใดในที่ใด น, นอนเนื่องมานานุนสัยของบุคคลนั้นในที่า น, านั้นก็ น, นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่อง การมาราคานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิเศษชนาะอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกามรมาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุมานาหนุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุ ม, า, มนานาน mà, ุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคาณุใสไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในตารมาธาตมานานุใสของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องและการมราคาณุใสก็นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้น ในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลสองจำพวกในเวทนาสองในกามธาต์การาคาอนุสัยของบุคคลานั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุถุชนในเวทนาสองในกามธาต์กามราคาอนุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นนอนเนื่องและ ว, วิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่อง ปฏิลงปุจฉาวิจิกิจรานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมพิจัดชนาบุคคลผู้เป็นปุถุชนในทุกขเวทนาในรูปประธาตและอรูปประธาตวิจิการานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสอง ในกามธาตุวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและกามราคาณุสัยก็นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคาณุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องภาวะราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัิชนาไม่ใช่ปฏิรลมปุจฉาภาะวะราคาณุสัยของบุคคลใดในที่ใด น, นอนเนื่อง การมราคาหนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมพิสัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาการมาราคาหนุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องการมาราคาหนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้น ก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในการมาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุอวิชชานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นอนเนื่องแต่การมราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสามจำพวกในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุอวิชชาหนุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นันอนเนื่อง แต่กามราคาอนุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาท่าและวิจาณอนุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องและกามราคาอนุสัยก็นอนเนื่อง 26. อนุโลมปุชชาปฏิคาอนุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุชชา มานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องปฏิการนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาปฏิการนุสัยของบุคคลใดใ น, นที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกในทุกขเวทนาะ ปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่วิจิกกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุถุชนในทุกขเวทนาปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่องปฏิรมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู้เป็นปุถุชนในเวทนาสองในกามธาและในรูปธาตุอรูปธาตุวิจิกิจฉานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคล น, นั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นนอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็นอนเนื่องอนุโลมปุจฉา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 ปฏิกานุษยสของบุคคลใดในที่ใดนอนเนืしし่องอวิชานุษยสของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนะใช่ปฏิโรมปุจฉาอวิชานุัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องปฏิคานุัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนะอนาคามีบุคคลในเวทนาสามในกามาธาและในรูปธาตุอรูปธาตุ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 27อนุโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิติกิจานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจฉนาบุคคลสามจำพวกในเวทนาสองในการมาท่าและในรูปธาตุอรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่วิติกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง บุคคลผู้เป <cat> ็นปุต <Jewish foreign language> ุชนในเวทนาสองในการมาธาตุในรูปธาตุอรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่องปฏิรมปุชาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจชะนาบุคคลผู้เป็นปุตุชนในทุกขเวทนาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่อง แต่มานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในการมาธาตุและในรูปธาตุอารูปธาตุวิจิกิจานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและมานานุสัยก็นอนเนื่องอนุโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจาชนาะ บุคคลสี่จำพวกในเวทนาสองในกามาธาตุมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่เพราะว่าราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องและเพราะราคานุสัยก็นอนเนื่องปฏิโรมปุชชาเพราะราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้น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 ใช่ปฏิรอมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องทิฐานุสัยของบุงคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุจฉาทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยของบุงคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้เป็นปุถุชน ในเวทนาสามในการมาธาตุวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ภาวะราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและภาวะราคานุสัยก็นอนเนื่องปฏิรอมปุชฌาภาวะราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหม วิจัชนาบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุเพราะว่าราคะนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุถุชนในรูปธาตุและอรูปธาตุเพราะวาราคะนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่อง 29. อนุโรมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่อง อวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัช น, นาใช่ปฏิโลมปุชชาอาวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องวิจิกิจานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกในเวทนาสามในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุอวิชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนืน่องแต่วิจิกิจานุสัยนนไม่ใช่นอนเนืน่อง บุคคลผู้เป็นปุถุชนในเวทนาสามในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุอวิชญานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นนอนเนื่องและวิจิกิจรานุสัยก็นอนเนื่อง30อนุโลมปุจฉาเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องอวิชญานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัญนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอาวิชญานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่อง เพราะวราคานุใสของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจชนาบุคคลสี่จำพวกในเวทนาสในกามาธาต์อวิชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่เพราะว่าราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาต์และอรูปธาต์อวิชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องและเพราะว่าราคานุสัยก็นอนเนื่องเอกมูล ละกันนจบทุกการมูลลกันนายออนุโรมปุจฉากามราคานุสัยและปฏิคาอนุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจัชณนาไม่มีปฏิโรมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่อง การมาราคานุสัยและปฏิคาหนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจฉนาอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกรรมธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่อง แต่การมาราคาหนุสัยและปฏิคาหนุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุมานานุสัยและกา ม, มาราคาหนุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิคาหนุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉ า, า, า, าการมราคาหนุสัยและปฏิคาหนุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยละ วิจิกิจานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิรมปุจฉาวิจิกิจานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นปุตตชนในรูปธาตุอรูปธาตุวิจิกิจานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่อง แต่การมราคานุสัยและปฏิคาหนุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในการมาท่าวิจิกริานุสัยและการมาราคาหน right. ouais. ุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิคาหนุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาวิจิกริานุสัยและปฏิคาหนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคาหนุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉา การมาราคานุสัยและปฏิคาหนุษใสของบุคคลใดใน ท, ในทีในท things, ่ no ใดนอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจัชนะไม่มีปฏิโลมปุชชาเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องการมาราคานุสัยและปฏิคานุสใสของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนะไม่ใช่อนุโลมปุชชา การมาราคานุสัยและปฏิคาหนุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องอวิชชาหนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจชะนาไม่มีปฏิโรมปุจฉาอวิชชาหนุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกามราคาหนุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจชนาอนณาคามีบุคคลในเวทนาสามในกาลมาธา และในรูปธาตุอรูปธาตุอวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและปฏิคาณุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุอวิชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและปฏิคาณุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในการมาธาตุ อวิชานุสัยและกามราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิกานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาอวิชานุสัยและปฏิการนุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องทุกกะมูลกไนจบติกะมูลกไนสามส อนุโลมปุจฉาการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุัสและมานานุัสของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหม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 อโิรมปุชฌาเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคาหนุสัยและมานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจัดชนาไม่มี ปฏิรมปุจฉาอวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาอนาคามีบุคคลในทุกขเวทนาอวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง บุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุอารูปธาตุอวิชานุสัยได้มานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอารูปธาตุอวิชานุสัยได้มานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่อง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 แต่กามราคานุสัยและมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องติกะมูลกไนจบจตุกะมูลกไนสามสิ 33. อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหม วิจัดชนาไม่มีปฏิโรมปุจฉาวิจ in ิกิจานุสัยของบุคคลใดในท <med> <med> huh <mons> ี่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้เป็นปุถุชนในรูปธาตุและอรูปธาตุวิจิกิจานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่อง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 แต่การมราคานุสัยและมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉาการมราคานุสยัยปฏิคานุสยัยมานานุสัยและทิฏฐานุสของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องเพราะาราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจารนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาเพราะาราคานุสัสของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่อง การมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจติชนาบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุเพราะว่าราคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยปฏิคานุสัยและทิฏฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุตุชนในรูปธาตุและอรูปธาตุ เพราะว่าราคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจตัญนาไม่มีปฏิโลมปุจฉา อวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกาม ร, ราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจตัญนะนาอนาคามีบุคคลในทุกขเวทนาอวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กาม ร, ราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง บุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในการมาธาตุและในรูปธาตุอารูปธาตุอวิชญานุสัยไดมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยปฏิคานุสัยและทิฏฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสองจำพวกในรูปธาตุและอารูปธาตุอวิชญานุสัยและมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นอนเนื่อง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 แต่การมราคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุทุชนในรูปธาตุและอรูปธาตุอวิจานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในการมทธาตุ อวิชานุสัยกามราคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกเวทนาอวิชานุสัยปฏิคานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยและมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องจะตุกะมูลกไนในจบปัญจกะมูลกันใน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 ภาวาราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิตัชนาะบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุภาวาราคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่อง แต่การมราคานุสใสปฏิคานุสใสทิฏฐานุสใสและวิจิกิจฉานุสใสไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุถุชนในรูปธาตุและอรูปธาตุเพราะว่าราคานุสใสมานานุสใสทิฏฐานุสใสและวิจิกิจฉานุสใสของบุคคลนั้นในที่นั้นดอนเนื่องแต่การมราคานุสใสและปฏิคานุสใสไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉาการมราคานุสใส ปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยของผู้คลใดในที่ใดนอนเนื่องอวิชานุสัยของผู้คลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจัดชนะไม่มีปฏิโรมปุชฌาอวิชานุสัยของผู้คลใดในที่ใดนอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัย ของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัิชนาะอนณาคามีบุคคลในทุกขเวทนาอวิชานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและพิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคล น, นั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาต์และในรูปธาตุอรูปธาต อวิชานุสัยได้ม า, านานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสองจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุอวิชานุสัยได้มานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัย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 ปัญจกะมูลกนยัยจบฉักกะมูลกนยัย35อนุรมุจฉากามราคานุัยปฏิคานุัยมานานุัยทิฏฐานุัยวิจิกิจฉานุัยและภวะราคานุใสของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องอวิชานุัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจัดชนาะไม่มี ปฏิโลมปุชฌาอาวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภาวะราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาะอนาคามีบุคคลในทุกขเวทนาอาวิชานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นนอนเนื่อง แต่กามราคานุสยัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภาวะราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุอวิจชานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง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 ในรูปธาตุและอรูปธาตุอวิชานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภาวะราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุอวิชานุสัยกามราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่อง แต่ปฏิคานุสัยและภวะราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแลในทุกขเวทนาอาวิชานุสยัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสยัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมาราคานุสยัยมา น, านานุสัยและภวะราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องชกะมูลกนัยจบอนุโลม ในอนุสยาวานจบ